แชตาระมณติกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยสิบอสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะ เหตุที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยเหตุตุปปใจได้แก่เหตุที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจคันในปฏิสนธิขณะอารมณปัจใจ12สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณานใจยตณะที่เป็นภายในตนพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายศณะพิจารณาที่ประจักษ์ขุที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์พิจารณาที่ประสตาต์ทิทธิวิทยาปูเพนิวาสานุสติยานยถากามูปัคขยานอนาคตังสยาน พระอริยะพิจารณากิเลสที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงยินดีเพลเพลินเพราะปรารกความยินดีเพลเพลินขันนั้นราคะที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นโทมนะจึงเกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ปุเพนิวาสานุสติญาณยะถาขมูปัคขยานอนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เป็นภายนอกตน พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายานะพิจารณาที่ประจักขุที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์พิจารณาที่ประโสงค์ท่าทิฐิวิทยานโปูเพเนวาสานุสติญาณยถากลมมปัคยานอนาคตังสยานเห็นแจ้งขันที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนนท ต, ตา รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยทถากรรมู ป, ปัคขญาณอนาคตังสญาณและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัย13สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอรมณะปัจจัยได้แ ก, ก่บุคคลพิจารณาที่ประจักษ์ขลุที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์พิจารณาที่ประสงทธาตพิจารณาอิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมู ป, ปัคขญาณอนาคตังสยานเห็นแจ้งขันที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรมูปะขยานอนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัย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 พิจารณากิเลสที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นพิจารณาที่ประจักษุที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์พิจารณาที่ประสง ท, ท้าทัตอิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปัขยานอนาคตังสยานขันธ์ที่เป็นภายในตน ซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นโทมณัจจึงเกิดขึ้นขันที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานุเพนิวาสานุสติยานยัตถากามูปัคยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิต โดยอารมณ์ปัจจัยอธิปฏิปัจจัย14สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปฏิและสหชาตาธิปฏิอารมณาทิปฏิได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายะสนะที่เป็นภายในตนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น พิจารณาในวสัญญาณาสัญญายาตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาที่ประจักขุที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ให like ้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาที่ประจตธาตุอิทธิวิทยานโปเพนิวาสานุสติยานยะถาคำโมปัคยานอนาคตังสยานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลเพลินขันที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลเพลิงขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีทําภายในตนเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่มีทําภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปฎิปัจจัยสิบห้าสภาวะธรรมที่มีทําภายนอกตนเป็นอารมณ์ เป็นปัจ ja จัยแก่สภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที <ic admitted> ่ม <iliyor> uh ีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปฏิ ได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานและถึงพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลพิจารณาที่ประจักษขุที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น พิจารณาที่ประโสงทาตัเอธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยณธากรรมูปัคขญาณอนาคตังจายานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลเพลินขันที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น อนันตรปัจจัย 16. สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรัปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อุปติจิตซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรัปัจจัยภวังคจิตที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรัปัจจัยขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแขวัตานะซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนันตระปัจจัยอนุโลมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแข่โคลทะภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอนุโลมเป็นปัจจัยแข่พระสมมาบัตในวาสัญญาณสัญญายาตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปจัจจัยแก่พระสมมาบัตโดยอนันตรปัจจัยสิบเจ็ด สภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนัตตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนัตตรปัจจัยอนุโลมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทาน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 ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ well, ์โดยอนันตรัปัจจัยเพราะวังคติตที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรัปัจจัยขันธ์ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรัปัจจัยสมนันตรัปัจจัยเป็นต้นสิบแปดสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์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 อารมณูปนิจยะอนนตารูปนิสยะและปะกโตูปนิจยะปะกโตูปนิจยะได้แก่อานิจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตานุปัสนาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อนิจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตานุปัสนาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปนิสัยและปกระตูปนิสัยปกระตูปนิสัยได้แก่อานิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนา ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอุปาินสยปัจจัย20สสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอุปาินสยปัจจัยมีสองอย่างเพื่อนันต์รูปปาเนสยและปกรตูปนิเนสยาปะกระตูปปาเนสยได้แก่อเิจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตานุปัสสนาที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์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 โดยอาศิวณะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดกรรกรเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังหลังโดยอาศิวณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอาศิวณะปัจจัยได้แก่อนุโลมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลม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 อนุโลมเป็นปัจจัยแขโวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแขมัคววทานเป็นปัจจัยแขมัคโดยอาศวนะปัจจัยกรมะปัจจัยยี่สิบสองสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยกรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนาณาคเนกะสหชาตะได้แก่ เจตนาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สามปยุติขันโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปากซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียว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 อารามณปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจใจมีสี่วาระสมนันตระปัจใจมีสี <Eagles centimeters S 1> ่วาระสหชาติปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิจยะปัจจัยมีสองวาระอุปาณิสยปัจใจมีสี่วาระหาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีสองวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระอัิปัจจัยมีสองวาระนัตติปัจใจมีสี่วาระวิคตะปัจใจมีสี่วาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัญจจนียุทธาระยีสสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์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 ยี่ิบหณเหตุป mm. ah ah ัจจัยม ah ีสีวาระณอารมณปัจจัยมีสีวาระณอธิปติปัจจัยมีสี่วาระณอนันตระปัจจัยมีสีวาระย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสี่วาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสีวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีสีวาระณอเสวะปัจจัยมีสีวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสีวาระ นวิคัตตะปัจใจมีสี่วาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะยี่สินอารมะณะปัจใจกะเพรตุปัจจัยมีสองวาระเนอธิปติปัจจใจละถึงมีสองวาระเนอนันตระปัจจัยมีสองวาระเนสมนันตระปัจจัยมีสองวาระเนอุอปะนิสยปัจจัยมีสองวาระ นัอเซวนาปัจจัยมีสองวาระนกกรรมปัจจัยมีสองวาระโนนาทิปัจจัยมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญิยะจบสปัจญยปัจญิยานุโลมยี่สปดอารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจใจมีสี่วาระ อธิปฏิปัจจัยละถึงมีสมวาระอนันตรปัจใจมีสี่วาระสมนันตรปัจใจมีสี่วาระสหชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจใจมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยใจขมณีเหตุปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจัยละถึงมีสองวาระ สมยุญตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยมีสี่วาระวิคตัปัจจัยมีสี่วาระอวิคตัปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ญานุโลมจบปัญหาวาระจบอาชตารามณะติระจบ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 มหาภูตารูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตสมุฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทายรู ป, ท, ร ท, รรปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นจากขายตนะอาศัยโพัพายตนะเกิดขึ้นรสายาตนะสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานนรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นรล ป, ปายัตนะอาศัยโพธพายตนะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ไดเก<ร>ิด ข, ขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นอาโปธาติถิหินสีโรลิงกะราหานอาศัยโผฏฐพยาตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ทิตตสมุทฐานรูปและกระตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นรูปายตนะอาโปธาตอถินสีเกลียงกราหานอาศัยโภธภายตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้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 ที่เป็นอุปาทัยรูปที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่แกระทบได้เกิดขึ้นรูป ario, ายตนะจักขายตนะรัษายาตนะอาศัยโผฏฐายตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปและกะตัตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยมหาภูต ร, รูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นรูปายตนะจักขายตนะพระสายตนะอาโปาธาติถิถินสีเปรวลิงกราหาน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 ในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นจิตตสมุทนานรูปและกระตตารูปที่เป็นออปาทายรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาเกิดขึ้นอิทิณรีเกวิงกราหาน อาศัยอ้าวโพธาต์เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้น จิตตสมุทฐานรูปและกจิตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยอาโปธาเกิดขึ้นรูปายตนะอาศัยอาโปธาเกิดขึ้นสภาว Catholic, ะธระมะมรม ท, ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะกระตตารูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยอาปโปธาตเกิดขึ้นจากขายะตนะไรสายะตนะมาศัยอาปโปธาตเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้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 ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองจิตตะสมุทฐานรูปและกระ ต, ตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาเกิดขึ้นจากขายตนะรษ า, ายตนะเอทิสีโกลิงก ร, ราหานอาศัยอาโปธาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตาตารูปที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูป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 อาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาต์เกิดขึ้นรูปายตนะจักขายาตนะรส า, ายญาตนะเอฏินทร์สเกลิงกราหานอาศัยอาโปธาต์เกิดขึ้น 3. สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ สายสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตกอัดใจได้แก่จิตตสมุทานรูปที่เห็นได้และกระทบได้สายขันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และสายมหาปูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้อายขันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอายมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุฐารูป และกระตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาปูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาศัยอาโปธาเกิดขึ้นรูปายตนะอาศัยโพธพายตนะและอาโปธาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่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 มหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสองและอาโปธาสเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาศัยอาโปธาสเกิดขึ้นจากขายตนะรส า, ายตนะอาศัยโพธพายตนะและอาโปธา ano, สเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้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 และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจได้แก่จิตตสมุทานรูปที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยขันที่เห็นได้แต่กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตตารูปที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยขันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น จิตตสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้สายมหาภพธรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และสายอโทาโพธาสเกิดขึ้นรูปายตนะอิถินสีกัลลิยกรารหานสายโพธภายตนะและอาโพธาสเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที it, of ่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยขันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตารูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ อ า, อาสัยขันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาสัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตาสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทยรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาสัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาสัยอาโปธาเกิดขึ้นจากขายาตนะรษายาตนะเอถินสีเกวิญกราหานอาศายโผทะ า, ายยตนะ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 อาศัยขันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัารูปที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยขันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นจิตจะสมุทฐานรูปและกระตัารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ แ ล, และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ อ, อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาศัยอาโปธาต์เกิดขึ้นรูปายตนะจักขายตนะรษายตนะอิถิณสีโกลิ่นกราหานอาศัยโธทพายตนะและอาโปธาต์เกิดขึ้นอารมณปัจจัย่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้